ความสุขความเจริญจุงมีเตท่านผู้ฟังเท่าไรเสียงคําจากมาไม่ไรลศรีปทุมประจมันจันนี้ก็คงพูดเรื่องพระสูตรในวังคีสัญยุตคือหมวดที่ว่าด้วยระวังคีสหรือระวังคีสะจะ มีส่วนทำพันอยู่ในจุดต่างๆในช่วงหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการสันเสริญบุคคลที่ควรแก่การสัเสริญในกรณี น, นั้นั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพระพุทธเจ้าพรังนึงพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ริมควางสะบัวชื่อว่าคัคราที่ในเมืองจมปาเมืองจมปาก็อยู่เขาาตอังคาเมขศเนี่ยเป็นเมืองรู้สึกว่า รามเป็นผู้ดูแลปกครองแต่ก็ไม่ใช่เป็นกษัตริย์หรอกเป็นทำนองใกล้ายๆกับหัวหน้าอย่างงมากนะฮะอย่างมากนะามากข็ขนาดคามนิคมชนบทนะขนาดช น, ด น, ดนดบทแต่นี้มันเป็นเมืองก็เรียกเป็นนครนครได้ใหญ่ก็ในกราวนั้นพระพุทธเจ้ามี พิษุประมาณห้าร้อยรูปอุบาสก ป, ประมาณเจ็ดร้อยเทวดาเนี่ยหลายพันมาเข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าพระวังที่สามมองดูเป็นการประชุมใหญ่นะฮะคือนึกดูว่ า, ายอดองคก็เจ็ดร้อยพระสงฆ์ก็ห้าห้าร้อยแต่เทวดาก็ไม่น่าจะปรากฏองค์ แต่ว่าเป็นการเห็นด้วยทิพยจักษุของพระสังคีติขาจาร์จริงกับสังคีติาจาร์ก็เล่าเล่าในสิ่งที่ท่านเห็นนะแล้วในการต่อมาพระวังคีสาก็ได้แสดงเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าพระวังกีสาก็เห็นพระวังคิสาท่นาน พ, าพูดตามที่ท่านเห็นแต่ถ้าเราเราก็เห็นเฉพาะอุะสบสก กับพระพุทธเจ้าแล้วก็กับพระสงฆ์ห้าร้อยรูป ท, ท่านดูแลที่ท่านตื่นเต้นเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้านิสง่างามยิ่งใหญ่รุ่งเรืองเกินภิกษุเกินอมปัสสุไปทั้งหมดพระเจ้าโดดเด่นที่พระวันนะแล้วก็พระยศคือความเป็นใหญ่ อันนี้ลักษณะอย่างเนี้ยเราก็สังเกตเห็นจริงๆคือบางครั้งมาคราวเราไปพบในที่ประชุมเนี่ยแล้วมีคนคนหนึ่งเด่นอยู่ในที่ประชุมที่เขนั่งเนี่ยเรามองปั๊บกะเห็นไอ้คนนี้เด่นลักษณะเด่นมากซึ่งงาณงาวบางทีก็ร่างกายไม่สูงไม่ใหญ่อะไรหรอกมันมันก็คือธรรมดานะแต่ ว, ว่าบุคลิกที่เขาดั่งเนี่ยมันเด่นสัญญา ทีนี้พระพุทธเจ้านะมันก็เหนือคนอยู่แล้วนะคือว่าพระองค์ก็ป ร, กประกอบด้วยมหาริสารักษ์สามสองประการอนุปยันจะน่าแปดสิบประการแล้วก็ส่วนของพระพุทธส ร, รีระก็เป็นมหาบุรุรมันโดดเด่นเป็นธรรมดา และในว mm ัส hmm. ด <ína> oh, ุเราก็พบว่าบางครั้งบางคราวไปเทียบกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็พระพุทธเจ้าสว่างพระเจ้าสว่างทั้งกลางคืนวันดวะอาทิตย์ก็สว่างได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็มาแล้วรู้เจ้าความสว่างมากกว่าลุกเรื่องกว่าทั้งกลางวันแาจกลางคืตในขณะที่เป็นกลางคืนพระอาทิตย์ก็หมดแสงไป พระเจ้าก็ยังสว่างอยู่รลางวันพระจันทร์ก็หมดแสงไปพระเจ้าก็ยังสว่างอยู่สว่ า, ดวญญา ง, งด้วยปัญญารุ่งเรือนด้วยปัญญาพระก็ดูกระโดดเด่นลนักษณะเหล่านี้คือมันเขาเรยกว่าเขาเรยวประมาณประมาณก็คือเงื่อ น, นไขที่เขากําหนดขึ้นแต่ฉันพอใจอย่างนี้มหาความเขาพอใจอย่างเนี้ย พระพุทธเจ้านั้น ส, สมบูรณ์คือคนบางคนเนี่ยไปจิตใจในรูปงามเขาเรียกว่ารูปปรัประมาณิจาให้ความต้องการก็รูปคนสวยคนหล่อเนี่ยยังไงมันก็ได้เรียบแล้วถ้าบุคลิกดีด้วยนะจะสงานนะ่างามแต่บางครั้งมานค่าเราก็สังเกตว่าเออคนบางคนเนี่ยนั่งหลังกงนั่งไม่สงา่าง คนบางคนนั่งสง่าหลังตรงตัวตรงหน้าตรงแล้วก็มองแล้วว่าเออขาก็นั่งก็ต่างกันนะคือถ้าเราสังเกตให้ดีแล้วก็จริงแล้วก็ควรจะมีการถ่ายภาพมีการถ่ายภาพแล้วก็มาตรวจสอบบุคลิกของตัวเองเวลาเรียก็มีเครื่องถ่ายเยอะนะถ่ายแล้วก็มาฉายดู ควรจะปรับปุกกะลิกตรงไหนบ้างเพื่อดูแลให้เหมาะสมมันไม่จะถึงต้องการโชอะไรหรอกแต่ว่าต้องการรักษาปุกกะลิ ก, กภาพมันส ง, ง่างามเช่นในที่ประชุมสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรานั่งฟังปาติโมกพระเต็มไ่นั่งแน่นต้องนั่งตัวตรงพนมมือเป็นกระพุ่มบัว ตลอดระยะเวลาประมาณสี่สิบห้านาทีหรือก็หมายความต้องรักษาปกติสภาพและบางวันก็ทําไม่ได้นะอ่ อ, อนเพลียอ่ อ, อนเพลียไปมันก็ทําไม่ได้เนพะียงแต่ว่าต้องพยายามถ้าทําได้ต้องพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพรนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแต่ผู้ประสบพู้เห็น วันประวังกิษะจึงมองที่อุบาสกกับพระสงฆ์ทีนี้พอพูดถึงเรื่องอุบาสเนี่ยเรามองถึงว่าถ้าเราถามปัจจุบันเนี่ยว่าอุบาสกมีเจ็ดร้อยเนี่ยอุบาสิกาสักเท่าไหร่เร้จะเห็นว่อุบาสิกาจะเป็นพันๆเลยแตนี้ปรากฏว่าไม่พูดถึงอุบาสิกาซึ่งถือว่าพอเป็นเรื่องแปลก มัน่าจจะเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเราดูธรรมเนียมของของแขกก็แล้วกันคือเวลาเกี่ยวกับบุญกุศลเรามักเจอผู้ชายโดยเฉพาะอย่างอิสลามเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ดูพิธีประชุมใหญ่ๆเขาก็เห็นแต่ผู้ชายแต่ไม่เคยสอบถามว่าผู้หญิงเนี่ยเขาประกอบไปแรงพิธีละมาทที่ไหนยังไง หรือต้องประกอบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแลวอินเดียก็เหมือนกันนะฮะพิธีที่เกี่ยวกับศาสนาสำคัญสคัญนั้นจะมีผู้ชายมากแต่ทั้งคนไทยเราจะต่างกันอย่างการบวชชีพรามหรือเรียกว่าศีลจริมีหรือพรามจรินีอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกกันนะเมคัมมะจารี เคยสังเกตว่าบางทีมีคนอสองสามพันก็ได้รับการนิมนต์ไปบรรยายแล้วก็มองผ่านไปแล้วก็นึกในใจนับนะฮะปรากฏเราผู้ชายเนี่ยเปร์เซ็นน้อยมากๆแล้วก็กระจายอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งผู้หญิงก็จะหนาตามากนะฮะในที่ทีเนี่ยที่ที่บวชศีรษ มันไปนยังอยู่ในโลกของขอมฝันก็คือการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เล่าไว้นะะเ น, นี้ก็ก้าวหน้าไปช้าช้าก็มีปัญหาเรื่งเงินเจาของมันแพงพุ่นด้วยเงินก็นหายากได้ด้วยหายากด้วยแต่เราไปคิดว่าถ้ามันเสร็จ ก็ดูคนได้มากพอสมควรแล้วเราก็จะมีกิจกรรมอย่านี้เข้าค่ายอย่างเนี้เราก็นั่งวันธรรมะเราจะเห็นความสุยงามความสวยงามของคนที่อยู่ในศีลในธรรมแต่งชุดขาวะสุภาพเรียบร้อยสวยงามนะฮะยิ่งคนแก่ๆห่มชเวียงบ่ามันส ง, ง่ามัมนน่าเคารพจังเกง่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะฮะถ้าแต่งชุดแบบไทยๆเลยรู้สึกสง่างาม น, น, น่าเคารพเป็นเก่งต้นคุณสมบัติสำคัญของความเป็นอุปสมบทติการเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เน้นที่การเข้าวัดความทำจำศีลหรอกแต่ว่าเน้นที่การปฏิบัติธรรมมากกว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือรักษามารถฐานของศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อพระรัตนตรยัย มีศรัทธาเชื่อมั่นถวั่นไหวก็ใหญ่ามากนะบอกพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อไตรสิกขาแล้วก็รักษาศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าประการและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเชื่อมั่นในกฎของกรรมไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวพิธีรีตองพิธีรีรอทั้งหลายเนี่ย เราไปเชื่อกฎของกรรมไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่จะสแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนากรรมเขตบุญก็คือบุคคลที่เราจะถวายทานเป็นรูปที่เราเรียกว่าทักษินานุ ป, ปาทานคือต้องการทำบุญอยที่กุศลส่งไปให้อนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่า มันมีผลสําเร็จเนี่ยนะตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าพิมิสารถวายพระตาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายแล้วก็รุ่งเช้าขึ้นก็ถวายผ้าแล้อุทิศกุศลให้แก่ญาติซึ่งเป็นเปรตถวายครั้งแรกเนี่ยเปรตที่พายผอมหน้าสงสารหน้าสลุดตดถูนี้กลายเป็นเทพประบุเทพธิดา แต่ว่าไม่มีผ้านุ่งรุงพป็เจ้าพระเจ้าปิษุสารก็มากราบทูนิพระพุทธเจ้าถึงเรตที่ท่านพบในตอนกลางคืนครพระเจ้าก็รับสั่งให้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์ก็าคงไม่ถวายทุกองนะนะฮะถวายเท่าที่มีได้แต่ปรากฏว่าเรสทุกคนเนี่ยกลายเป็นเทพประบุแล้วก็เลื่อนลอยขึ้นไปหุ่นภากาด ประดับเครื่องประดับสวยงามสง่างา ม, งามแล้วก็กลายเป็นคาถาเทียนโมทนาการทำบุญมิถิกุศลในลักษณะนี้คนที่มีประสบการณ์เขากรเล่ามาเยอะทิถกุศลไปให้ญาติพี่น้องแล้วตกกลางคืนก็เข้าฝันบอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้คนเหล่านี้ที่เขามีประสบการณ์เขาจะมีขวัญมีกำลังใจในการทำงาน เพราะเรื่องทานเรื่องสีนเนี่ยมันเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะทานเนี่ยจะเห็นได้ง่ายนะเพราะว่ามันจะตอบสนองเราในเชิงที่เป็นวัตถุและสีนเนี่ยมันตอบสนองในเชิงเรียกว่าไม่มีเวรภัยอันตรายปลอดเวรปลอดภยัยปลอดอันตรายถึงว่า แต่คนปกติทั่วไปที่ไม่สมาทาศีลเขาก็ไม่ใช่มีเวรมีภัยมีอันตรายอยู่อย่างต่อนเนื่องมันก็เป็นเรื่องนานๆเดีจะเ ก, กิดขึ้นแล้วก็ไม่แสวงหาเกิดบุญนอกพระพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นห้าประการทีนี้การเป็นภิกษุตรงนี้ก็เป็นพระหันล้วนอีกนะคือปัญหาสําคัญว่าการเป็นพระภิกษุ ศีลของพระที่จริงเวลาพูดเนี่ยมันเยอะมากก็เรียกว่าเจ็ดแดพันข้อได้นะแต่ว่าที่เราต้องปฏิบัติจริงๆคือปาติโมกข์สังวรสำรวมตามบทบัญญัติของสิกขาบทจะกี่ข้อก็ช่างที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่รู้นะเมื่อศีลที่พระโลกกนาา ตรงบรรดาษไปแล้วสมาทานศึกษาสำเนีจตามที่ทรงบรรดายเอาไว้เราเชื่อเราเชื่อต่อพระพุทธคุณเราเชื่อในปัญญาความมีสุขความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าเราไม่ติดใจไม่วอแวร์ไม่ต้องไ่ตีความข้างขข้างข้า ง, ง, งตัวเองไม่ใช่ดื่มเหล้าเป็นระยะระยะแล้วก็ไม่ขาดศีลนะทรงแสดงไว้ายังไงก็คืออย่างนั้น มันตรงนี้เราใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อเป็นหลักถ้าความเชื่อไม่แข่งอย่างอืง่นมันก็ไม่แข่งประการต่อไปคืออินทรีย์สังวรสมรวมระหวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเล่ น, ลนร่กรายถูกต้องอย่านอนนอนแข่งนั้นไม่จิตยินดียินร้ายเนี่ยรุมทั้งหลายพอไม่ยินดียินรายเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะผิดศีลกาบุตรไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะผิดศีล เราลองสังเกตนะะสีมันก็ผิดด้วยความยินดียินได้จะคต่้าสัตว์เนี่ยค้าสัตว์ในความยินดีก็ได้ยินได้ก็ได้ด้วยความโลภก็ได้ด้วยความโกรกก็ได้นะรักทรัพย์ลักด้วยความโกรกก็ได้รักด้วยความโลภก็ได้ส่วนใหญ่รักด้วยความโลภเราพิดผิดในกาวเนี่ยบางทีมันโกรกก็ได้นะฮะบางทีมันส่วนใหญ่มันก็รักนะฮะก็ก็กําหนิดโหกก็อีกเ่ยอาจจะโกรกอาจจะโลภอาจจะหลงเสษสิ่งเสษติดก็โลภกับ หลงไม่เคโกรธหรอกแต่บางทีก็ไม่ไ ม, ไม่แน่เหมือนกันคือประชดไปสั่นใครแล้วก็ไปเสพสิ่งเสบติดแก้กลุ่มต้องการไปชดแกะชดไปสั่นใครสักคนหนึ่งมันแต่เราดูแล้วเนี่ยออกออกก็จริงไม่ใช่ตัดสินง่ายๆนะมึงจะตัดสินอะไรลงไปได้ไง่ายๆนะแต่ว่าสังคมเราอ่อนแอในการตัดสินพฤติกรรมต่างๆของคน ก็มีคนก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในที่แห่งหนึ่งมาให้ก็คงต้องอ่านกันนานนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาจะไปนั่งอ่านเอกสารนอกที่เราเกี่ยวข้องแต่ว่าก็จะพยายามอ่านให้จบแต่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างถึงว่าอ่านไปแล้วนี่เราก็ไม่ควรจะผีผาบเชื่อใครมันจะต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นจากแต่ละฝ่ายแต่ละด้าน แต่เราก็ไม่มีอน า, ไ ม, มนาไม่มีหน้าที่ไม่มีตาแหน่งที่จะไปทำงานตรงนั้นแล้วการก็เฉพาะรับรู้ไว้แต่นั้นเดยเราไปทำไม่ได้คือปัญหาที่จริงถ้าเรากปจจายบ้างนะกระจายความรับผิดชอบไปบ้างอย่าไปกระจุกอยู่ที่หมาจะเรามาคมยี่สิบรูปให้คนอื่นเขาทำงานจะบ้าง และปัญหาคาราคาซังต่างๆเนี่ยมันมันจะไม่เกิดหรอกเอาคนน้อยทำ ง, งานมากเนี่ยที่ไหนก็ไม่สาเร็จถอยเป็นเทวดาก็ทำไม่สมเร็จไม่ต้องมนุษย์หรอกเพราะั้นปัญหาเป็นนันมากที่เราเกิดขึ้นมาจากการหวงอำนาจหรือว่ามีความอคติอยู่ภายในใจแก่ยากเลยฮะ ทางบ้านเมืองทางศาสนาเราก็มีปัญหาในลักษณะนี้มีปัญหาที่คนหนึ่งก็คนสองก็คนสามก็คนมีปัญหาที่ขดทีนี้ถ้าเราดูคนที่มาประชุมตัวเนี้ยคนไม่มีปัญหาคนไม่มีปัญหาเขาก็มาประชุมกัน เ, เทวดาก็เกิดสัทธาลุอกสายก็ามาแล้วอย่างที่บอกว่าเทวดาไม่น่าจะปรากฏไม่น่าจะปรากฏแก่ตาตาเนื้อ และปรากฏแก่กตาทิศก็หมายความว่านันเป็นธรรมดาของเทวดาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพบกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของเขานะจะเราไม่เป็นพระอาหารหันต์เราไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นกับเราจึงไม่ใช่ธรรมดาเราไม่มีโอกาสจะพบขเขาหรอกเป็นไวาแต่ว่าเราศึกษาประพฤติปฏิบัติให้มันบรรลุอะไรสักระดับ สูงพอสมควรโอกาสที่จะติดต่อกับเทวดามันก็ติดต่อและที่จริงไม่ยากสมัครคนดีนะฮการติดต่อกาเทวดาจริงไมไม่ยากหรอกสมัครคนดีเพราะว่าเขามาด้วยกลิ่นศีลเพราะันศีลประการต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คืออะไรล่ะเราใช้เราใช้ความเพียร ในการที่จะประคองชีวิต้วยการเลี้ยงชีพให้มันบริสุทธิ์ให้มันสุตริตเขาเรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์ชีพหรือเลี้ยงชีพในทางที่เป็นสุจริตและในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาถึงการบริโภคปัจจัยทั้งสี่คือไม่ไม่ ไม่กระทำไปเรื่องำนาจขามตัญหามากเกินไปสามารถยังอัตภาพไปเป็นไปด้วยปจัจเจสีตามมีตามได้ทีนี้พระวังกีสสะท่านก็เห็นเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วก็นึกครั้งแรกเียท่านนึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าระทับอยู่ที่ฝั่งสะบัวชื่อคัคคดา นครจำปาพร้อมด้วยีิสุขสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปบรสศกประมาณเจ็ดร้อยรูปเทวดาหลายพันองค์ปรกากฏว่านยาว่าดูทักฟังคำตัวตรงนี้คล้ายๆกับท่านท่านรับการบอกเล่าแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านต่อไปก็เห็นว่าทักก็อยู่ตรงนั้น ก็พระพุ้มีพาจการุ่งเรืองล่วงภิกษุหมายความมาคล้ายๆกับไฟฟ้าเนี่ยมันก็สว่างกว่าหิ่งห้อยอ่ะเระียกว่าลุงคือมันเกินมันผ่านมันครอบงามหมดมันเหมือนกับดวงดาวทั้งหลายพอพระจันทร์โผล่ขึ้นมาเต็มดวงเนี่ยดาวก็หายไปพอพระจันทร์ข้างแรมเราจะเห็นว่าดาวมันก็เด่น เพราะว่าไม่มีแสงอะไรที่มาร่วงมามาท่วมทับได้มาปิดบังได้ ก, ก็พระเจ้าก็ร่วงบาตรศกบาติศกาทั้งหลา ย, ยไม่ใช่ร่วงวันณะเละยศวันณนะยศยศคือความเป็นใหญ่วันนะคือความสวยงามทางผิวพรรณแต่ของพระเจา้าหมายถึงความดีด้วยนะฮะหมายถึงความดีเลยเพราะวันณะมัจฉาริยะเนี่ยหมายถึงสนีความดีแล้วก็ จะมีผิวจะมีพวกพวกก็ได้นะวันนั้นนี่พวกก็ได้ผิวก็ได้แล้วความดีก็ได้อยากกันั้นเลยเราพึงชมเชยพระผู้มีพระภาคที่จะพอพระภาคด้วยคาถาอันสมควรเถิดจากนั้นก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกว่าพระสมัยนั้นหมยิวอนอย่างไร ทำไมนั่งอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องทํำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งก่อนหน้านั้นท่านท่านห่มยังไงท่านห่มยังไงท่านนั่งยังไงใน้ประดมอันจเรียไม่แปลกแต่ประเด็นที่น่าข้องใจก็คือทําพระห่มเฉียงบ่าลุกขึ้นจากอานสนาไม่แปลกเพราะว่าจะตะโกนพูดกับพระหญิงไม่ได้แต่ถ้าเราดูตรงนี้ ไะเห็นว่าท่านลุกขึ้นเพื่อจะถวายบังคมก่อนถวายบังคมก็ทำพระหม่มเีวงบาข้างหนึ่พระนมอัญชลีไปทางที่พระภูมมีพระภาคประทับอยู่และกราบทุลพระภูมมีพระภาคเํา น, นองขอประทานพุทธานุญาตดังกล่าวในสูกร น, นั่งละและท่านก็กล่าวสรรเสริญว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สึ่งปราศจากมณฑิน บนทินของพระอาทิตย์พระจันทร์ก็คืออะไรก็คือหมอกคือควันคือพวกทุลีพวกจันทรุ ป, ปราคาสุริยุปราคาเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าถ้าพวกนี้เกิดพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เศร้าหมองสุริย ป, ปราคาก็เศร้าหมองจันทรุ ป, ปราคาก็เศร้าหมองหมอกก็เศร้าหมองหมอกเบกนะฮะหมอกแกนะ ม, อกม่ต้องหมอกั้งเบกอนะไรก็เศร้าหมองควันเกิดขึ้นมากๆ พระอาจารย์พระธิดาเศร้ามองผู้รีเกิดขึ้นมากมายพระอาจารย์พระธิดาเศร้ามองมันก็มือก็คนเรานะฮะคนเราต้องฟังลองสังเกตนะฮะว่าไม่ว่าโลกยุคไหนก็ตามคนจะมีเรื่องมีปัญหามีข้อเคลือบแคลงสงสัยมีความเศร้าหมองความไม่ค่อยจะชัดเจนไม่ค่อยจะโปร่งใส่คนไม่ค่อยจะมั่นใจเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่เรื่อง ยิ่งฆ่าเรายิ่งไปใหญ่เลยเข้าป่าไปเลยนั่นก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยคนนั่นกับคนนั้นคนนี้กับคนนี้นังสือพิมพ์แกเล่นได้เป็นฉบับฉบับนะไม่ใช่เลยเรื่องเหล่านี้ยมันมีจำหน่ายอยู่เป็นฉบับฉบับแต่เรื่องแปลกแต่จริงว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้เงินเยอะทําเงินด้วย เคยเคยให้เด็กไปหาอ่านเล่มชื่อไ้คลาสรบหนังสือพิมพ์อะไรว่ามันชื่อโก้เลยเดูรูปร่างาเป็นยังไงมาดูก็ไม่เคยมีอะไรหรอกถ้าพูดจริงๆไม่เคยมีสาระหรอกแต่ว่าเอาคนระดับระดับดังๆในสังคมเนี่ยมาเล่ามาสัมภาษณ์มาคุยมาเล่าประวัติอะไรต่างๆแล้วปัญหาเรื่องชูสารเนี่ยเล่ น, เ ล, นเล่นได้ทุกวันเป็นข่าวนี้ได้ทุกวัน คนนี้ติดตามฮรหัวมียอย่าล้างกาันคนนั้นชอบกับคนนั้นคนนั้นเลยกับคนนั้นอะคนนั้นเป็นอะไรหนละ่ามือที่สามกับคนนั้นอะไระไต่างๆอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเสื่อมเสียอย่างหนึ่งแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นเหมือนกับหมอกควันธุรีเนี่ยจันรูปราคาสุริปราคาเนี่ยมันทําให้คนเศร้าหม อ, องอีกหนึ่งคือปัญหาเรื่องเงิน เห็นไหปัญหาเรื่องเงปัญหาที่เกี่ยวกับมีการกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ปัญหาเรื่องเงนินเร่างนั้นเลยเรื่องทุจริตคิดไม่ชอบในวงราชการต่างๆเอามาเล่นเอามาสร้างเรื่องกันเยอะแยะไปหมดเลยคือบังชีเนี่ยมังใครไปพูดสักคนหนึ่งเรื่นั้นเอง แล้วเป็นคนต่างชาติแล้วผลร้ายในเวลานี้หนังสือพิมพ์อย่างในกรณีของอะไรก็ทําพ่อผ่านของแสนแสบอะไรเนีย่ยยังไม่ชัดเจนว่าคนที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วเคยพบข้อหรือเปล่าเคยเห็นตัวหรือเปล่ามันเหมือนในกรณีของพระยังสัจนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสองคนนั้นที่ว่าเนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นเลยไม่เคยปรากฏภาพทางหน้าหนังสือพิมพ์และยินได้ชื่อ แล้วก็ห้างกันไปเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวหนังสือพิมพ์ก็ตัดสินแล้วโดยเฉพาะข่าวสดนี่ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงข่าวครั้งแรกสังคมก็รับ ร, รู้ข้อมูลลแ้วก็เชื่อก็หน้าอ็นดูฮะหน้าเอ็นดูหนะจุ๊บจิ้มห น, น้าเอ็นดูอะไรเงี้ยนี่คืออะไรก็คือว่าปัญหาจุดนี้มาเป็นปัญหาอ่อนไหวนะปัญหาเรื่องเพศเนี่ย พูดอะไรแล้วคุณเชื่อแล้วก็สะใจแล้วก็ถามคุณได้อะไรมาที่มาพูดมาฟังเรื่องเหลนี้คุณได้อะไรมาเรื่องของชาวบ้านเขาอะมันเดือดร้อนอะไรอะ่ะเรื่องเงินนะทุกกล่าวหารเรื่องเงินเนี่ยโดยจะพระพระนี่สองศรสามศรนะสตรีสตางส ม, มณศักดิ์สามเรื่องทั้งหมดในเรื่องเงินงนั้นะ สตรีก็เรียกเงินนะสมณศักดิ์ก็เรียกเงินสตางค์ก็เรียกเงินไม่ต้องพูดสามสอ่อเห็นนะมปัญหาเนี้ยมันเหมือนกับหมอกควันธุลีจันรูปราคาสุริยประคาที่มันสร้างความเศร้าหมองให้แก่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คนเราเหมือนกันเลยคุณจะเป็นข้าราชการก็ได้คนจะเป็นคุณจะเป็นราษฎรก็ได้คุณจะเป็นพระยิ่งตายเลยสี่เรื่องเนี้ย ประการต่อไปก็คือเรื่องการประกอบอาชีพรประกอบอาชีพที่เขาไม่มั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริเห็นไหมอาชีพเป็นอะไรมากที่ทุกวันถูกกระแวง่งถูกข้องใจสงสัยแล้วบางทีก็จริงด้วยนะฮะทุจริตจริเงเสื่อเลยหรือยังนก็คือเรื่องอะไรเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลาย คนที่เกี่ยวข้องกสิ่งเสพติดเนี่ยโอกาสที่จะทําตัวเองให้สดใสและเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายนั้นจะยากยิ่งกว่าปีนบันไดสวรรค์เลยเพราะก็มีสี่เรื่องเรื่องเพศเรื่องเงินเรื่องอาชีพเรื่องสิ่งเสพติดทีนีคนคนหนึ่งเว้นเรื่องสีเรื่องนี้ได้ แล้วก็จะ อ, อยู่อย่างปลอดภัยแล้วเรื่องเหล่านี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับวันใดสักเรื่องเดียวนั่นเองนะี่ยยุ่งจนจนจ น, จนยากต่อการแก้ไขเลยมันก่อนอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเปิดอะไรเป็นรายการเนี่ยเหมิงไปเจอเขารายงานเรื่องครูเรียกอะไรล่ะค่าเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดวิชาให้แก่นักศึกษา แล้วก็ปัญหาคราเนี่ยเขาต้องทุกเรื่องอทุกเรื่องที่เขามาพูดเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเออมันก็ยังอยู่ในสี่ข้อเดิมมาแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องพิกษุเมื่อก่อนเนี่ยทรงแสดงเรื่องภิกสุสี่เรื่องเนี่ยแล้วต่อมาเกิดปัญหาสังขารนาครั้งที่สองก็เรื่องสี่เรื่องเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องเงินครับ โดยเหตุใหญ่ๆเรื่องเงินแต่ตอนอ้างนี่อ้างทั้งสี่ข้อตามที่พระเจ้าทรงสแสดงไว mm ้เ hmm. มื่อท่างฟังลองสังเกตดูเถิดสี่เรื่องดูให้ดีแล้วใครก็เอาตัวรอดยากคือถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสี่เรื่องนี้แล mm ้ว hmm. มาอย่างนี้ว่าสังคมจะมีปัญหากับสี่เรื่องนี้มากขึ้นขึ้น mm hmm. สังคมในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นขึ้น เพราะด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ไอสื่อสารเนี่ยสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆที่มันแพร่กระจายไปเร็วมากเร็วจนคนรับสารในตั้งหลักในะะทันทีบางทีเนี่ยเขาไม่วิคราะห์สารนะเช่นยกตัวอย่างว่าเขาจะเปิดคาสินโนคำว่าคาสินโนถ้าเรารู้เรื่องเนี่ยฮมันมีระบบกำกับควบคุมอย่างเข้มงวดมากๆก คนจนไม่มีสิทธิ์เข้าเล่นก่อนจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันต้องเอาเงินฝากไว้ที่ที่ประตูเนี่ยในเจ้าหน้าที่เขาในจำนวนหนึ่งเพื่อไปเล่นแล้วหมดตัวมันมีการควบคุมเยอะมากแต่เราพูดแทนที่จะพูดเป็นคาสิโนเราพูดเป็นบ่อนเสรีเพราะบ่อนเสรีนี่ความหมายอีกเรื่องหนึงคนละโลกกันเลยกฎหมายเรื่องทำแทง ไอ้ น, นี่ก็เหมือนกัน ร, ระเบียบมีกฎเกณฑ์เยอะมีคณะกรรมการเยอะกว่าจะทําได้เนี่ยมันใช้คำว่าเสรีเข้าไปคําเดียวเสียเรื่องหมดเลยแล้วก็คนไม่ไม่ได้สังเกตว่าเออไอ้โรงเล่านี้ทําไมคุณต่อต้านไอ้โรงเล่านี้ทำไมคุณไม่ต่อต้านนะไอนเรื่องแปลกนะคือสังคมไม่เคยสังเกตสื่อเลยสังคมไม่เคยสังเกตสือ่อ ที่สื่อก็ถ่ายทอดมาหมายความว่าสื่อก็ถ่ายทอดมาจากพฤติกรรมของคนน่ะแต่ทําไมเราไม่มองที่คนนั้นละ่ะว่าทําไมคุณไปต่อต้านเป็นสิ่งเสียติดด้วยกันห้โทษด้วยกันทําไมบริษัทหนึ่งคุณต่อต้านทําไมบริษัทหนึ่งคุณไม่ต่อต้านอา่าทำไมคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงได้ไปแดงอา่าคนหนึ่งทําไมได้ไปเหลืองละ่ะทันทีเงินมากกว่าอะไเนี้ยมันมันมัน ปัญหาที่มันทำให้เราโอกาสคิดเนี่ยมันช้าเพราะข่าวมันมาเร็วมากมันเปลี่ยนข่าวเรื่อยเลยข่าวมันเปลี่ยนเรื่อยเลยแล้วคนเราก็พอเริ่มขาดความคิดเนี่ยมันมันมันมันจะถูกบงการด้วยสื่อสื่อจะชี้นำนะฮในโอกาสต่อไปนี่เราจะเห็นว่าการเมืองมี่จะถูกกากับด้วยสื่อนะคร ซื้อจะเป็นกลุ่มบุคคลที่น่ากลัวที่สุดเพราะอะไรเพราะสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกชี้นำโดยสื่อถือว่าดีก็ดีถือว่าไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์เขาว่าอย่างงั้นวิทยุเขาว่าอย่างนั้นโทรทัศน์ก็ว่าอย่างงั้นแต่คุณก็ไม่เห็นหน้าเขานะฮะหนังสือพิมพ์คุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนิยัยใจรคอเป็นยังไงมีภูมิหลังเป็นยังไงมีฐานะทางสังคมเป็นยังไง ับนเรียนเป็นยังไงี่เราไม่มีข้อมูลนี่มันก็กลายเป็นพวกหมอกควันทุลีที่ปิดบังเหตขผลสริปัญญาของมนุษย์เอาไว้นั้นปนัญหาเหล่านี้ก็จึงกลายเป็นปนัญหาที่น่าคิดน่ากลัวทีนี้พระวังคีสระนี่ท่านบอกว่าพระอาจารย์พระอาทิตซึ่งประสจากมนทิม หมายความว่าพระจันทร์ก็ไม่มีหมอกไม่มีควันไม่มีทุลีไม่มีจันทรุ ป, ปราคาไม่มีสุริยุ ป, ปราคาก็ไม่มีปัญหาะไรมันก็เปล่งแสงได้เต็มที่ท่านบอกว่าย่อมแจมกระจ่างในท้องฟ้าแต่ท่านเก่งนะฮะคือคมมากอันปราศจากเมฆฝนมีข้อแม้ว่ามันต้องไม่มีบนทินจริงเพราะเมฆมันก็คือทุลี แล้วก็ฝนมันก็มาจากเมฆก็อยู่ในกลุ่มเมฆฝนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ว่าไ้แล้วนะั่นแหละหมอกควันทุลีหมอกควันทุลีนะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ซึ่ปราศจากเมฆฝนก็ เ, เรียกว่าเป็นการพูดที่มีลอจิก หมายความมาข้อความเนี่ยมันกระชับมันเราเห็นภาพพจน์เนี่ยมันมั น, ม, นมันสร้างภาพได้แล้วแสดงนนคนพูดมีสติดีมากนะไม่พล่องเลยข้อความมันไม่พร่องบอกว่าย่อมแจ่มกระจ่างในท้องคว้าแล้วบอกว่าฉันใดอ้า คนก็ตั้งคำถามถามว่าเออถ้ามีหมอกมีเมฆมีควันมีทุลีมีฝนตกล่ะอันนี้ท่านก็ท่านก็ว่าไว้มันเหมือนกับพระเจ้าทรงแสดงถึงว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิธรรมธัมโมหเวรคติธรรมาจาริงชัตตังมหันตังวิยวัตสกาเล พระธรรมย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กั้นร่มในเวลาที่ฝนตกร่มใหญ่นะชัดตังมหันตังเลยคือร่มมันต้องใหญ่จึงจะป้องกันฝนได้จริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าแต่พระผู้มีพระรัศมีสั้นออกแต่พระส ร, รีร ก, กาย คือพระพุทธเจ้าในบางโอกาสไม่ใช่ตลอดไปนะะในบางโอกาสจะโดนเสด็จไปเพื่อทรมานฉันทรมานโจนองกรีมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะเสด็จเตดตยยศเลยหมายความมันจะเปล่งรัศมีล้อมพระวรกายด้านละว่าวนปรากฏเป็นลำแสงเป็นลำแสงปกลว์พุ่งสว่างสวยงามน่ากลัว น่าตื่นตื่นเต้นน่าตะลึงแล้วก็น่ากลัวเพราะมันสยบองค์กริมหานะเรียนจากความอยากฆ่ากลายเป็นความอยากรู้อยากรู้จนอัดอั้นไว้ไม่อยู่ต้องเรียกขยุดเพื่อจะถามถามแล้วพระเจ้าตอบเพร อ, อยากรู้มากยิ่งขึ้ น, นก็ต้องถามต่อประเด็นที่เตรียมที่คิดจะฆ่าเนี่ยมันหายไป ยังเหลือประเด็นยอยากรู้เพราะมันเริ่มจากความขึ้นกวามสัจรันที่มีรัศมีออกจากประวรากายนี้จะทรงใช้ในกรณีเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกว่าทำไมเป็นศาสดานหนุ่มอายุแค่สามทิบกแต่นั้นเองตอนข้าวมหาสมาคมใหญ่นะอย่าลืมนะตอนนั้นพระพุทธเจ้าสามหกแต่ข้าวมหาสมาคมใหญ่มาก พวกโุราณชดินตั้งพันน์หนวดงอกแ้วท้งนั้นเลยแล้วก็กลุ่มของพระเจ้าพิมิสานี่แสนสองคนมหาศาลมากเลยหมายความว่าอิเซชนในกรุงรัชทึกนี่มาหมดคนระดับนำของสังคมในกรุงรัชทึกนี่มาหมดอุบุยิ่งใหญ่มันส ง, ง่ามากมันสยบคนจำนวนแสนสองลงไป รวมนักบวชปริพาชคเนี่ยสองพันห้าสองสองร้อยห้าสิบแล้วพอเสด็จที่กรุงราชกรุงกบินลพัทเนี่ยโอหลายมือเลยทีเนี้ยตอนนั้นในปีนั้นนะฮะในปีสามหกสามเจ็ดนะแล้วพระชนพรรษาก็สามหกสามเจ็ดไม่ได้แก่เลยเลยยังหนุ่มฟอเลยยิ่งใหญ่นะและทำไมไม่มีคนตอไปน เราอย่าลืมว่าการเกิดของศาสตาองค์หนึ่งเนี่ยศาสตาศาสนากรมันสูญเสียสมาชิกไปเยอะนะเราไม่ค่อยพบคนต่อต้านที่ทําการอย่างยิ่งคือต่อต้านเขาไม่ประสบการ์เสําเร็จล้นมมลนี้คือฉาพันธหังสีในยอย่างเนี่ยการรู้ใจถ่ายใจคนอย่างไรผู้อิทธิฤทธิ์ยอย่าง อินทริศส่งใช้อย่างเงี้ยจังไปทรมานพระญาติที่กรุงกบินลพัทเนี่ยญาติ ด, ดื้ออวดดีขุจ้าลอยกันไปบนอากาศเลยแล้วก็มือก็จงกรมอยู่บนหัวพวกราชวงศ์สักยันตพวนี้ยอมเลยนะพอเหาะได้นี่ยอมเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดถึงเรามีนะมีคุณสมบัติเหล่านี้ แต่ว่าพระพุทธบัญญัติครั้งสุดท้ายเนี่ยห้ามใช้อิทธิฤท ธ, ธิ์เพราะอย่าลืมว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายๆลายมายาวีคือคล้ายคายมายากลพระพุทธเจ้าสามารถปลูกจากมเมล็ดมะม่วงให้เป็นต้นมะม่วงระยะเวลาสั้นเนี่ยต้นแตกกิ่งการสาขาห้ากิ่งมีผลเต็มต้นไปหมดเลยระยะเวลาไม่กี่นาที ถามามาลายกนทำได้ไหมมาลายกนก็ทําได้ก็ เ, เตรียมตัวเก็ทําได้เพราะนโอกาสที่จะถูกด่าเพราะใช้ฤทธิ์เนี่ย ม, มันมันมีเพราะฉนสมัยพุทธกาลจึงไม่ใช้พร่ำเพรื่อแต่ใช้ในกรณีจําเป็นจะต้องใช้แล้วก็ทรงเห็นว่าผลมันจะเกิดขึ้นต้องใช้ถึงใช้อิทธิฤทธิ์อย่างนี้นี่ก็คือเราจะเห็นว่ามันมีส่วนแล้วผู้เป็นมหามุนี มุนีนี่แปลว่าผู้รู้หรือผู้นิ่งผู้สงบมหาก็คือยิ่งใหญ่เราย่าลือ ม, มาตอนที่เศรษฐีพ่อพระยสาะามาพบพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าก็พระจันทร์สาก็สักสารที่พเรียกมหาสมณะนะกราบพูนมหาสมณะเห็นยศกุลบุตรผ่านมาทางนี้บางไหมซึ่งงามมากยิ่งใหญ่มาก สยบไปปุกกลิ ก, กของท่านเศรษฐีลงไปได้พระตวกีก็เรียกมาสมณะโบราณจันดินุรัติรกษษษักกาสะปะก็เรียกมาสมณะนันแปลกเอามาอย่างงงเลยเนี่ยเออแสดงปุกกลิ ก, กขบขาพของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่ม า, มากจริงๆนี่มองในมิติทางประวัติศาสตร์ของสังคมนะฮะเราอย่าลืมว่าสังคมยุคนั้นมปนสังคมนักปราชญ์ พระประ้านเต็มเมืองกำไมยอมจำนวนหมดพอพระเจ้าขึ้นขุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์อุทัยเนี่ยขจัดมืดแล้วก็แสงสว่างยังอื่นมันหายหมดเลยอีกห้อยเนี่ยเลิกพูดเลยหมดแสงไปเลยนี่คือเป็นสิ่งที่น่าคิดและบอกว่าองย่อมรุ่งเรืองร่วงสับสัตว์โลกด้วยพระยศ ยศจะมีอยู่สามยศของพระพุทธเจ้ามีครบทั้งสามยศนะหมายความมาอิศยยศคือความเป็นใหญ่เหนือกิเลสแล้วก็เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มายอมเป็นลูกศิษย์ของพระองค์จนพระองค์ได้รับเฉลิมพระนามว่าสัทธาเดวะมนุษสานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกียรติยศนั้นแผ่กระจายไปตามระยะของพระพุทธคุณ แม้ประเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังเป็นประธานสา ม, มา ส, สมบุทโธสัจสุดีสัจโรชอบโดยพระองค์เองวิชาเจรณนะสัมปนโนส่งสมบูรณ์วิชาและเจรณาสุกโตสเสด็จไปดีแล้วโล ก, กวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโอภริสธรรมสาราจิส่งเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสาระีอื่นจะยิ่งไปกว่าสัตถาเดวมนุษยานางส่งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบาน พระกวาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้ประกอบเพื่อพระธรรมประเกติกรตอนนี้แผ่ไปก็ทำให้เป็นพระเกศยศที่สังคมก็อยอมรับหมดทั้งเก้าข้อนะฮะทั้งเก้าข้อแล้วก็บริวาระยศคนก็มาสมัครเป็นบริวารนะ เราลองนึกดูนะฮะพระพุทธเจ้าตัสรุ้มาได้เก้าเดือนเดก้าเดือนถ้านับจากปฐมเทศนาก็คือเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองมีคนมานับถือพระองค์เท่าไหร่ล่ะที่เป็นนักบวชเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยกว่านักบวชเก่านะฮะหนึ่งพันสามร้อยกว่าเป็นชาวบ้านเนี่ย แสนสองมื่นกว่าแสนสองมืนกว่าเวลาเท่าไรเวลาเจ็ดเดือนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆคือถ้าเรามองในมิติตรงนี้นะที่จริงมันมันมันม น, น่าจะน่าจะเรียบเรียงเป็นเอกสารหนังสือนะตามรอยบาทพระศาสานาแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตามไปด้วยนะะตั้งข้อสังเกตตามไปด้วย แล้วก็ทำนอง แ, แก่ค่ะแก่เรื่องที่เขียนเลา่าเรื่องอยากใจสู่ใจได้ไม่สีเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตด้วยชี้นกชมไม้ไปเรื่อยๆชี้นกชมไม้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรอยู่ที่ที่เราไม่ได้พูดถึงอ่ะเราเล่าไปแต่เราไม่ได้พูดถึงเราไม่ตั้งข้อสังเกตตัวนี้ก็เลยก็ตั้งข้อสังเกตด้วยวันนี้วิจัยก็มีพร้อมยศทั้งสามประการแล้วก็ยิ่งใหญ่เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังกล่าวทุกฝั่งทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี